ตอนที่หนึ่งเจ็ไม่มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยเลยสักนิดคุณนะ่ะไม่กลัวว่าจะตามใจลูกจนเสียคนหรือไงยวนเฟย์สายหน้าเธอตามใจลูกสาวมากเกินไปจริงๆไม่หรอกข้าปกติเย็ยนเย็นทำอะไรก็มีขอบเขตไม่เสียค น, นง่ายหรอกให้มันจริงอย่างนั้นเธอกลัวแต่ว่าถึงตอนนั้นคุณอยากจะดัดนิสัยก็สายเกินแก้แล้วน้าเสียงของหยวนเฟยแฝงไปได้วยความจนใจนิสัยของลูกสาวกับลูกชายช่างแตกต่างกันราฟ้ากับเหวแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ลูกชายมีความสุ ข, ขุมรอบคอบเอื้อต่อการสืบทอดบริษัทในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นผมไปดูเสี่ยวเหิงหน่อยนะหยวนเฟยพูดพางเดินไปผลักประตูห้องลูกชายหยวนเซาเหิงได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจึงเห่อยหน้าขึ้นมองผู้มาเยือนมือยังคงพลิกหน้าหนังสือไม่หยุดพ่อมีธุระอะไรหรือเปล่าครับพ่อแค่อยากมาดูว่าตอนนี้ร่างกายลูกฟื้นตัวเป็นยังไงบ้างแล้วหยวนเฟยชะงักไปครู่หนึ่งอีกอย่างพ่ออยากให้ลูกเข้าบริษัทมาฝึกงานเร็วหน่อยลูกคิดว่ายังไง ตอนนี้พ่อสู้สุดอยู่คนเดียวถ้าลูกมาช่วยพ่อที่บริษัทได้พ่อคงบาแรงไปเยอะตกลงครับหยวนเซาเหิร์ตอบตกลงโดยไม่ลังเลเขามีความคิดนี้อยู่แล้วแม้ว่าตอนนี้จะยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่เหลือเวลาอีกเพียงปีเดียวก็จะจบการเข้าบริษัทไปฝึกงานในช่วงนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดลูกชายที่ดีหยวนเฟย ร, รู้สึกปราบปลื้มใจมากพลางยกมือขึ้นตบบ่าเขาความสามารถของลูกในวันหน้าจะต้องเก่งกว่าพ่อแน่นอนหยวนเซาเหิงกระตุกมุมปากไม่ได้พูดอะไรต่อ จิิงสิความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับเสี่ยหวานตอนนี้ยังมั่นคงดีใช่ไหมยวนเฟยเอ่ยถึงเรื่องความรักของเขาขึ้นมาอีกครั้งครับมั่นคงดียวนเศร้าเหิงพยักหน้าเบาๆอย่างไม่ลังเลมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกพ่อแค่รู้สึกว่าลูกสองคนเหมาะสมกันมากพอลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยในความคิดพ่อลูกสามารถทจรณาเรื่องแต่งงานได้เลยนี่ยวนเฟย เ, ฟยเตรยียมจะเร่งรัดเรื่องแต่งงานแล้วหรือ ขั้นต่อไปคงไม่ใช่เร่งให้มีหลานหรอกนะสีหน้าของหยวนเศร้าเหิงเริ่มจริงจังขึ้นพ่อครับเรื่องนี้เราสองคนต้องปรึกษากันเป็นการส่วนตัวเสี่ยวหวันยังเด็กเธออยากแต่งงานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราสองคนมีความคิดเป็นของตัวเองไม่อยากให้ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปครับเดลิพอไม่ได้ว่าอะไรหยวนเฟยรู้ว่าลูกชายเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาแค่พูดขึ้นมาลอยๆเท่านั้นหยวนเศร้าเหิงเห็นพ่อนั่งอยู่บนเตียงยังไม่มีท่าทีจะไปไหน จึงถามต่อยังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับหือไม่มีแล้วไม่มีแล้วหยวนเฟยคิดในใจว่าแม้ลูกชายจะดีในหลายๆด้านแต่เรื่องความออดอ้อนเอาใจสู้ลูกสาวไม่ได้จริงๆสองพ่อลูกคุยกันได้แต่เรื่องงานเท่านั้นผู้จบเขาก็ลุกขึ้นเตรียมจะออกไปพ่อครับตอนนี้เหยียนเหยีย น, นไม่คิดจะเรียนต่อแล้วพ่อต้องให้แม่คอยจับตาดูเธอหน่อยอย่าปล่อยให้เธอออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกส่งเดทหยวนเศ้าเหิงจู่จู่ก็โผล่ขึ้นมาข้างนอกมันอันตรายเกินไป อีกอย่างตอนนี้เรากับท่านอาสอถือว่าประกาศศึกกันอย่างเป็นทางการแล้วจะออกไปไหนมาไหนตามใจชอบไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องจัดบรดีการดให้เธอเรื่องนี้พ่อรู้แล้วเธอเพิ่งออกไปต่อไปคนในบ้านเราจะออกไปไหนต้องจัดบรดีการดให้หมดครับดีครับหยนเฝยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพอถูกลูกชายเตือนแบบนี้ในใจก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงเย็ยนเย็นขึ้นมาจริงๆก่อนจะนอนตอนสามทุ่มเขาเริ่มบ่นภรรยาที่กำหนดเวลากลับบ้านให้เย็ยนเย็นดึกเกินไป ต่อไปต้องให้เธอกลับบ้านไม่เกินสองทุ่มครึ่งจะรอจนถึงสี่ทุ่มไม่ได้เหยียดเยงก็แค่ไปเดินห้างสรรพสินค้าไม่ก็ไปดูภาพยนตร์กับเพื่อนทั้งสองที่นี้ปิดตอนสี่ทุ่มฉันเลยให้เธอกลับถึงบ้านสี่ทุ่มเวลาพอดิบพอดีเลยค่ะไม่ได้ต่อไปต้องระวังหน่อยยวนเฟยแสดงสีหน้าจริงจังเธอจึงไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่พยักหน้าตอบรับตกลงข้าคราวหน่าจะให้เธอกลับมาเร็วขึ้นแน่นอน เพื่อนร่วมชั้นปีเดียวกันจัดกิจกรรมไปดูภาพยนตร์เหวินโมเชิญหลี่หวานเป็นพิเศษกิจกรรมกลุ่มแบบนี้ช่วยให้เธอได้คลุกคลีกับเพื่อนไวเดียวกันบ้างจะได้ไม่ต้องจดจ่ออยู่แต่กับตำราเรียนทั้งวันจนหน้าเบื่อเกินไปครั้งนี้ภาพยนตร์ที่พวกเขาดูเป็นแนวรักใคร่คุณภาพของภาพในยุค80อาจจะดูขัดตาไปบ้างแต่นักแสดงแสดงได้ดีหลีหวานจึงดูได้อย่างเพลิดเพลินเหวินโม่นั่งติด ก, กับหลีหวานเมื่อเห็นพระเอกนางเอกในภาพยนตร์มีความรักลึกซึ้งถึงขีดสุดเขามัเสลือมองหลีหวานด้วยหางตาเป็นระยะระยะ ภาพยนตร์จบลงในเวลาชั่วโมงกว่าๆเพื่อนๆต่างพากันเดินกลับโรงเรียนเป็นกลุ่มโดยมีเหวินโม่กับหลี่วันเดินอยู่ท้ายสุดสนุกไหมเหวินโม่ถามขึ้นมาดื้อภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยินว่าเป็นเรื่องที่ดังที่สุดในตอนนี้ทํารายได้สูงสุดด้วยผมดูแล้วก็ว่าใช้ได้นะแต่เห็นคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรเลยไม่ชอบเหรอคราวหนะ้าคุณชอบแนวไหนบอกผมได้นะเราเปลี่ยนแนวกันได้ การจะดูภาพยนตร์แนวไหนเป็นเรื่องที่เพื่อนๆ เ, เลือกกันเองหลีหวานไม่ได้สนใจเธอจะดูอะไรก็ถือเป็นการฆ่าเวลาทั้งนั้นก็ดีค่ะหลีหวานยิ้มบางๆที่มุมปากแต่ในใจกลับคิดว่าคราวหน้าควรพาเสี่ยวเหิมาด้วยภาพยนตร์รักแบบนี้เหมาะจะดูกับคนรักที่สุดคุณชอบก็ดีแล้วเหวินโมยกมือขึ้นเกาผมพลางยิ้มอย่างประมาทผมลกลัวว่าคุณจะไม่ชอบไม่หรอกค่ะ ยุคนี้โทรทัศน์เพิ่งจะเริ่มแพร่หลายแถมภาพก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรือหวานไม่ชอบภาพที่โมเกินไปการมาดูภาพยนต์ก็ช่วยแก้เซงได้ดีปล่อยชนนะฉันเตือนแกแล้วรู้ไหมว่าฉันเป็นใครถ้ายังไม่รีบใส่หัวไประวังจะหาทางกลับไม่ถูกเยน็ยนเยน็นอย่าพูดเลยเราเราทำตามที่พวกเขาบอกดีไหมลินลี่เธอจะไปรู้อะไรคนพวกนี้ดูไม่ใช่คนดีแน่ๆถ้าตามพวกเขาไปจะได้กลับบ้านหรอแต่ฉันกลัว เหตุที่แท้น้องสาวคนสวยคนนี้ก็ว่าง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยชายผมเหลืองท่าทางกระล่อนมองสำรวจพวกเธอทั้งสองคนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่มีใครมายุ่งเรื่องชาวบ้านหร อ, อกน้องสาวสองคนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกพี่ดีกว่าถ้าไม้ไม้อ่อนไม่ได้ผลก็ต้องใช้ไม้แข็งกลัวอะไรหยวนเยน็นเย็นถึงขั้นรู้สึกรังเกยียจเพื่อนตัวเองพวกเธอมาโมวพูดว่ากลัวอยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือทําใจดีสู้เสือแล้วสู้กับพวกมัน ในใจเธอเริ่มรู้สึกนึกเสียใจขึ้นมาบ้างแล้วถ้ารู้แบบนี้ไม่ควรสลัดคนขับรถที่บ้านทิ้งเลยหยวนเย็นเย็ย น, เยยนขมวดคิ้วแน่นมองดูพวกนักเลงหัวไม้ที่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆอย่างระแวดระวังใส่หัวไปนี่พวกนายทำอะไรกันนะ้าฉันแจ้งตํารวจแล้วนะเสียงยินชาของหลีหวันดังขึ้นนักเลงผมเหลืองสามคนหันมามองหน้ากันไม่นึกว่าจะมีคนมายุ่งเรื่องชาวบ้านจริงๆชิทําได้เพียงมองดูเป็ดที่กําลังจะเข้าปากบินหนีไปต่อหน้าต่อตา พวกมันไม่ได้คิดจะก่อเรื่องใหญ่หลังจากพวกมันจากไปหลีหวานจึงเดินเข้าไปหาและก็เป็นหยวนเยียนเยียนจริงๆเมื่อครูเธอได้ยินเสียงก็จําได้ว่าเป็นอีกฝ่ายหยวนเยียนเยียนออกมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนจนดึกดื่นป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเมื่อกี้ถ้าเธอไม่บังเอิญมาเจอเข้อเกรงว่าทั้งสองคนคงต้องเสียชื่อเสียงไปในคืนนี้แน่หลีหวานหยวนเยียนเยียนถอนหายใจอย่างโล่งอกคลังยกมือขึ้นตกเบาๆโชคดีที่เจอเธออ้อห้ามเอาเรื่องเมื่อกี้ไปบอกพี่ชายฉันเด็กขาดนะเมื่อกี้มันก็แค่เรื่องบังเอิญนะ ลหวานมองสำรวจเธอด้วยสายตาตำหนิเรื่องบังเอิญคุณหนูใหญ่หยวนรบกวนช่วยมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยหน่อยได้ไหมเธอรู้ได้ยังไงว่าเรื่องบังเอิญเมื่อกี้ไม่ได้มีคนจงใจจัดฉากขึ้นมาตอนนี้เรื่องในบ้านเธอยังจัดการไม่เรียบร้อยเธอก็กล้าแอบออกมาเที่ยวเล่นคนเดียวแล้วใจกล้าจริงๆเลยนะเสียวหวาน